ตอนที่เจ็ดรอไปก่อนหลินเซินพบป้ายคำสั่งตันตีบนตัวนางเซี่ยชิงจือเองก็เห็นนางเต็มใจติดตามบัญิตผู้นั้นไปนมีได้ถูกลักพาตัวเรื่องราวกลับกลายเป็นว่านางลอบคบชู้กับสายลับรั่วไหลความลับทางการทหารทำให้จวนกัวกงทั้งจวนต้องแบกรับข้อหาคบคิดกับศัตรูขายชาติป้ายคาสั่งนั้นคือหลักฐานมาตัวว่านางติดต่อสื่อสารกับสายลับ ไม่ว่านางจะอธิบายอย่างไรร้องขอความเป็นธรรมเพียงใดหลินเซินก็ไม่เคยเชื่อเขาทุนททานฝ่าบาทอย่างเต็มกำลังจนทำให้ครอบครัวของนางต้องเข้าคุกทั้งหมดเมื่อนึกถึงความอายุที่ทำในตอนนั้นเย่เยอก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวไม่หยุดตกลงว่าใครเป็นคนรั่วไหลความลับทางการทหารจนทําให้สิ้นอ๋องถูกลอบโจมตีหากหาคนผู้นี้ไม่พบต่อให้เย่เยอลบเลี่ยงการลักพาตัวของสายลับได้สิ้นอ๋องก็ยังต้องตายและจนกัวกงก็อาจถูกใส่ร้ายได้อยู่ดี จะให้เพียงจวนกัวกงเพิ่มการระวังป้องกันไม่ได้สิ้นอองยิ่งตายไม่ได้เด็ดขาดแทนที่จะหลบซ่อนอย่างตั้งรับสู้รู้เข้าใส่ก่อนดีกว่าเย่ยอนั่งลงที่โตหยิบกระดาษลายดอกเหมืยแดงแต้านทองแผ่นใหม่ขึ้นมาแล้วตวัดพูดกันอย่างรวดเร็วเจียนเจียไปลู่สาวใช้ทั้งสองรีบมาตามเสียงเรียกไปจนสิ้น อ, องศักรอบขาจะนัดซื้อจือไปล่องเรือชมทะเลสาบในวันพรุ่งนี้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นสาวใช้ทั้งสองก็เบิกตากว้างรับกระดาษไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อแล้วรีบจากไปเย่เย่าครุ่นคิดครู่นหนึ่งก่อนจะจะโกรธพูดกันว่าภาพเหมือนของสายรับอีกสองใบเพราะเรื่องที่รีเริ่มไปทูลขอราชโองการพระราชาทานสมรสต่อหน้าสาบาัดลินเซนจึงถูกสิ้นอ่องด่า ท, ทอจนเสียผู้เสียคนประกูลเย่เป็นปรปักษ์กับเปิรนหวางมาโดยตลอดแต่เจ้ากลับรีบร้อนไปขอราชโองการพระราชาทานสมรสแต่งงานกับบุตรสาวบ้านนั้นเจ้าอยากให้เปิรนหวางงอกแตกตายหรืออย่างไร วันหน้าต่อหน้าฝ่าบาทเจ้าจะให้เปิดหวังเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเวลาต้องชิงดีชิงเด่นกับสองพ่อลูกประกูลเย่นั่นสิ้นองด่าจนเหนื่อยสะบัดแขนเสื้อหันหลังกลับไปหอบหายใจหลินเซินคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาไม่โต้ตอบปล่อยให้เขาดดาไปหวังเฟยและเสี่ยชิงจือเดิมทีพักค้างคืนที่วัสวียนกวงเพื่อกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรเมื่อทราบข่าวก็รีบเดินทางกลับมาในคืนนั้นทันทีที่ก้าวเข้าประตูมาก็ได้ยินสิ้นองกําลังที่รดจัดจึงรีบเร่งฝีเท้ามาหาหลินเซิน ที่เซิร์นท่านไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเอ๋ยเจ้าเข้าวังไปขอราชโองการพระราชาธานสมรสกลางดึกจริงๆหรือลินเซิร์นมองพวกนางแวบหนึ่งพยักหน้ารับคำแววตาของเสี่ยชิงจือหม่นแสงลงทันทีทว่าหวังเฟยกลับเริ่มสงสัยแม่หนูตระกูลเย่ ค, คนนั้นดีขนาดนั้นเชียวหรือลินเซิร์นลูกคางพางครุ่นคิดมีเชวดีเพียงใดแต่เป็นน่าสนใจมากเขาลุกขึ้นยืนพวด สรุปคือข้าจะแต่งกับนางให้ได้สิ้นอ๋องโกรธจนพูดไม่ออกชี้หน้าเขาพลางสั่นไปทั้งตัวเจ้าเจ้าเจ้าหวังเฟยรีบเข้าไปช่วยลูบอกให้เขาจะเย็นลงอย่าโ ก, กรธและอย่าโ ก, กรธเด็กๆต้องค่อยๆสอนยังจะค่อยๆสอนอีกหรือเมื่อคืนเขาเข้าวังไปขอราชาองคการวันนี้ก็ขนของมันหลายคันรถไปที่ตระกูลเย่ทางานได้รวดเร็วเด็ดขาดนักเมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของซี่ย่ชิงจือก็ยิ่งหม่นหมองลงไปอีก นางก้มหน้าเงียบงนันนานเฟิงรีบมารายงานคาระวะท่านอองหวังเฟยเขาหันไปทางหลิงเซินน้ำเสียงตกุกตะกัก ซ, ซื่อซื่อจื่อจวนจวนกัวกงส่งเทียบเชิญมาขอรับว่าที่ซื่อจื้อเฟยเชิญท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบในวันพรุ่งนี้ทั้งสี่คนนานเฟิงต้องการให้คุณหนูชิงจือร่วมเดินทางไปด้วยขอรับเสี่ยชิงจือนานเฟิง และยังต้องการให้ซื่อจื่อไปรับนางที่จวนก๋วกงด้วยตนเองขอรับหลินเซินที่เกียดฟังเขาพูดอึกอักจึงคว้ากระดาษมาอ่านรวดเดียวจบมุมปากยกยิ้มเย็นชาตอบนางไปว่าเปิลซื่อจื่อจะไปรับตามเวลาในวันพรุ่งนี้เขาโยนเทียบเชิญคืนให้หนานเฟิงแล้วเดินจากไปอย่างสง่าผ่าเผยทิ้งนี่ท่าน อ, องและหวางเฟยรวมถึงหนานเฟิงยืนอึ้งตะลึงงานส่วนเสี่ยชิงจือไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่วันต่อมาเย่เยาตื่นขึ้นมาเองตามธรรมชาติ นางยิ่งนอนออิ่งอยู่บนเตียงครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมอย่างเชื้าช้าเมื่อครึ่งช่วยามก่อนคนเฝ้าประตูมารายงานแล้วว่ารถมาของจวนสิ้นอองมารอยอยู่ที่หน้าประตูจวนกัวกงแล้วตอนนี้ยังส่งสาวใช้มาเร่งอีกนับดูแล้วเป็นครั้งที่แปดคุณหนูซื้อจื่อถามว่าคุณหนูยังต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดถึงจะออกจากจวนได้เจ้ากะเย่อยาจ้องมองคันช่องทองเหลืองพรางโบกมืออย่างเกียจคร้านไปตอบเขาสตรีแต่งกายย่อมต้องใช้เวลาบอกให้เขา รอไปก่อนสาวใช้ไม่กล้าพูดอะไรมากรับคําแล้วถอยออกไปเจียนเจียและไปลู่เร่งมือทําโดยสัญชาตญาณแต่เย่เยอกลับเอ่ยห้ามไว้จะรีบร้อนไปใหญ่ค่อยๆทําไปเถิดน้ําเสียงฟังดูราบเรียบทว่าสาวใช้ทั้งสองปรับรู้สึกหนังสีสชะาหนึบพวกนางลอบกลืนน้าลายลงคออึกก่อนจะเอ่ยถามอย่างระมัดระวังคุณหนูเจ้าคะอย่างไรเสียก็เป็นพวกเราที่เชิญซื้อจือออกไปเที่ยวเล่นทั้งยังระบุเจาะจงให้เขามาคอยรับถึงประตูจวน นั่นสิเจ้าเขาปล่อยให้เขารอเช่นนี้อีกทั้งยังเป็นถึงซื่อจือ่อดูจะเสียมารยาทไปบ้างหรือไม่เจ้าคะเยเยาไม่แ ม, แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเป็นเขาที่อยากมาเองเป็นเขาที่อยากรอเองหากไม่เต็มใจก็ไม่ต้องมาไม่ต้องรอก็สิ้นเรื่องนางชะ ง, งักไปครู่หนึ่งแววตาฉายแววเคียดแค้นข้าที่เป็นถึงบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกงเป็นของไรข้าหรืออย่างไรเขาอยากได้ก็จะได้มาครอบครองง่ายๆเช่นนั้นหรือ เป็นเขาที่ดึงดันจะแต่งมีชี้ค่าที่อยากจะออกเรือนในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จงรอต่อไปเถิดสาวใช้ทั้งสองไหนเลยจะกล้าเอ่ยป่ากอีกได้แต่หยิบอวิชาประทินโฉมที่ประนีที่สุดในชีวิตออกมาประนิบัติรับใช้ทว่าผลลัพธ์ก็มีใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลยเพราะในที่สุดพวกนางก็แต่งองค์ทงเครื่องให้เย่เยาวจนดูงดงามราวกับเทพิดาผู้ไม่ติดกลิ่นอายทางโลกบริสุทธิ์ผุดพองเหนือมวลมนุษย์ใครจะคาดคิดว่าเย่เยาวกลับไม่พอใจ นางขมวดคิ้วมุนแต่งกายงดงามเช่นนี้ไปทำไมเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าเฝ้ารอที่จะไปเที่ยวเล่นกับเขาเจียนเจียและไปลู่คุณหนูช่างประนีประยากขึ้นทุกวันจริงๆนางถอดเครื่องประดับมุกและยกออกจนหมดสยายมวยผมทิ้งไว้เพียงผ้าผูกผมสีเหลืองสว่างเพียงเส้นเดียวปล่อยให้เรือนผมยาวสลวยประบาดูเรียบง่ายแต่ก็ยังคงความสง่างามเอาเช่นนี้แล สองสาวใช้ได้แต่ทอดถอนใจความทุ่งเทกว่าครึ่งช่วยยามสูเปล่าโดยสิ้นเชิงเมื่อพวกนางนำชุดตัวนอกสีแดงสดมาให้นางก็ยังคงรังเกียจเปลี่ยนเป็นชุดสีเหลืองอ่อนตัวนั้นเถิดเจียนเจียและไปัลูท่ทําตามคําสั่งในที่สุดนางก็แต่งกาเสร็จสิ้นอย่างเนิบนาบนางมองไปยังประตูที่เปิดกว้างเพว่าฝีเท้ากลับไม่ใคร่เต็มใจจะขยับเขยื้อนักหากมิใช่เพราะจนใจนางย่อมไม่มีวันยอมคล้องไว้กับหลิ้นเซินแม้เพียงนิด การจะอาศัยเพียงสตรีในห้องหออย่างนางไปลากตัวสายลับที่แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงและคนที่ทำความลับทางทหารรั่วไหลออกมานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านพ่อและพี่ชายต่างก็ยุ่งวุ่นวายจนหัวหมุนท่านยังต้องคอยสืมหาตัวสายลับแล้วจวนสิ้นอองจะอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไรอีกอย่างสิ้นอองจะตายไม่ได้ปรับใดที่สิ้น อ, องยังมีชีวิตอยู่ข้อหาทาความลับทางทหารรั่วไหลย่อมไม่มีทางตกมาถึงจวนกัวกง ในเมื่อหลินเซินเป็นถึงซื้อจืออองสิ้นการออกแรงเพื่อช่วยบิดาตนเองบ้างก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่ใช่หรือเย่เยาแค่นเสียงเย็ดยามในที่สุดก็ก้าวเท้าออกจากห้องไปรถม้าของจวนิ้นอองนั้นหรูหราและเปี่ยกไปด้วยบารมีมันจอดนิ่งอยู่ที่หน้าประตูจวนกัวกงมานานจนดึงดูดสายตาผู้คนมากมายประกอบกับราชโองการพระราชทานสมรสที่เพิ่งประกาศออกมายิ่งทําให้ชาวบ้านพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา ซื่อจือเข้าวังกลางดึกเพื่อทูลขอราชโองการพระราชท า, านสมรสทั้งยังรีบร้อนส่งของมั่นมาให้บัดนี้ยมายืนรออยู่ครึ่งค่ำวันดูถ้าจะพึงใจคุณหนูตระกูลเย่ผู้นี้จริงๆแต่ดูเหมือนคุณหนูตระกูลเย่ผู้นี้จะไม่ค่อยต้อนรับซื่อจือเท่าใดนักรอนานปานนี้แล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาก็แน่ล่ะสิคุณหนูตระกูลเย่เป็นถึงบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกงเชียวนะแต่ซื่อจือกลับไร้สมรทธภาพนั่ น, น่ะสิแต่งเข้าจวน อ, องไป พ่อสามีแม่สามีย่อมไม่มีทางยอมรับว่าซื่อจืดของตนเองมีบุตรไม่ได้สุดท้ายคนเป็นสะพายก็ต้องรับคำครอหาไปเต็มๆถึงได้บอกอย่างไรแล้วว่าสะพายราชวงศ์นั้นเป็นยากเพียงใดใครใช้ให้เขาเป็นถึงซื่อจืดเป็นเชื้อพระวงศผู้สูงสักด์แล้วต่อให้เป็นยอดหญิงอันดับหนึ่งก็ต้องยอมให้เขาทำลายชีวิตเช่นนี้แหละคุณหนูตระกูลเย่ช่างอาภัพนักเป็นถึงบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกงจะหาคู่ครองดีๆที่ไหนไม่ได้บ้างดันมาถูกซื่อจืดตาถึงเข้าเสียได้